28 สิงหาคม 2537 เรื่องอรูปาวจรกุศลจิตท่านสาธุชนที่ 29 ก็จะเป็นการนําเอา 10 2 ดวงใน 12 ดวงนั้นก็แบ่งเป็นอรูปาวจรส่วน 4 ดวงและอีก 4 ดวงและ 4 ดวงวัน 4 ดวง รูปภาวะจรกุศลจิตนั้นบางทีเราก็เรียกว่าอรูปฌานในภาษาที่ผู้ ในระดับสูงระดับสูงซึ่งฌานระดับสูงนี้ก็แบ่งออกเป็นอีก 4 ขั้นมากกว่ารูปฌานอภัยทาน 5 ขั้นด้วยกันอรูปฌานแปลว่า กุศลจิตที่ท่องเที่ยวไปในอรูปฌานหมายถึงกุศลจิตที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาจนได้บรรลุอรูปฌานที่แปลว่าฌานที่เพ่งสิ่งมิใช่รูปเป็นอารมณ์อันนี้ได้พูดกันถึงมาตลอดเวลาต้องการอธิบายเรื่อง แปลว่าท่องไปก็ได้ว่าท่องไปก็ได้แปลว่าเที่ยวไปก็ได้โดยการ การกระทําให้เป็นอารมณ์นั้นถ้ากระทําให้เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตก็ที่เราเคยได้ยินข้อ 1 ใน 10 ข้อซึ่งอยู่ในส่วน อันนี้ระดับของบุญเขียววัตตุสิทธิ์หรือถูกก็ตามผิดก็ตามถูกหมาย นั้นด้วยลาเราธรรมฌานเนี่ยฌานก็แปลว่าเพ่งมาจากขาดสับเดียวกัน คำว่าท่องไปโดยความหมายในทางเนื้อ คนใดคนหนึ่งกําลังทํางานทันตกรรมอยู่ทันตกรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงหมอฟัน ข้อที่พระราชาทรงพอใจในการทันตกรรมนั้นน่ะก็ทรง อรูปฌานสูงเพ่งอรูปฌานต่ำความจริงน่ะเพ่งได้ความลังเกียจอยากจะพ้นอยากจะหนีไม่ได้เพ่งอยากจะ มี 2 แบบกุศลจิตนั้นมีลักษณะของการเพ่งทิงเพ่งปล่อยแล้วทําไมต้อง อันนั้นนี้ละโผหลับตาไม่ได้ต้องเพ่งเหมือนอย่างคนจะพ้นทุกข์เนี่ยคนจะพ้น เป็นอยู่เดี๋ยวนี้น่ะตัวมีความรู้สึกมี อีกอย่างนึงที่ว่าต่อไปคือโดยการไปอุบัติเกิด ในจะอธิบายกันลงไปอีกนิดนึงเมื่อพูดถึงรูปาอรูปาเพียงนะฮะ ที่บุคคลผู้ระทำฌานนั้นเอามาใช้เป็นอารมณ์เพ่งอ่าที่ว่าสิ่ง ก็ถือว่าเพ่งรูปนั่นเองรูปถึงรูปอารมณ์เท่านั้นน่ะหมายถึงรูปปรมัตถ์เรียกว่ารูปสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่ อ่าบางทีพูดถึงตรงนี้คนที่คิดมากและเรียนอากาศจั่วอากาศไม่มีที่สุดอากาศหรือ ทำไมในที่นี้น่ะจึงถือว่าเพ่งอากาศก็เรียกว่าเป็นอรูปอ่าเดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้เมื่อเรา ตั้งเป็นคำถามทิ้งไว้ไปจะคิดหาคำตอบเอาได้ล่วงหน้าก็เชิญตามสะดวกอ่า รวมก็โดยการไปอุบัติและทั้ง 2 ส่วนนี้ก็เป็น ในสายสมถภาวนาหรือสมาธิภาวนาที่ทําตั้งแต่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ก็ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเพราะมีสภาพที่จะ เรากําลังเรียนเรื่องจิตปรมัตถ์ความจริงในอรูปาวจรกุศล อีองค์ก็แล้วแต่เจตสิกในนั้นทั้งหมดก็เป็นเจตสิกแต่โดยมากแล้วท่าน 2 แต่ถ้าเอาองค์ฌานมาเรียกแล้วไม่ขาดบางทีองค์ฌานซ้ําฌานกันเวลาผู้ก็ทํา คนที่เขาทำสมาธิตั้งแต่ว่าเขายังไม่ได้ฌานอะไรเลยแล้วคนที่ไปค้นคว้าสมาธิด้วยตัวเองยังไม่มีครูบาอาจารย์ ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยที่สะสมมาแล้วก็ไปเอ่อ ของผู้ที่กระทําฌานเนี่ยมันทําไมทําไมถึงไม่ไม่พอนะฮะเรามันรู้สึกก็อันนี้ท่านก็บอก อย่าเอาสันโดษเข้าไปไปไปใช้แสสันโดษนี่จะต้องระวังอกุศล เกินกําลังแล้วเกินกําลังร่างกายจะทําได้เกินกว่าๆแล้ว ปุฎุฬจิตหรือความดีทุกอย่างความดีทุกอย่างจะต้องแล่นสูงแล่นละเอียดไปเรื่อยๆแหละ แต่คนหยุดในกุศลเนี่ยคนนั้นถือว่าหยุด ถ้าเป็นการเจริญภาวนาแล้วไม่ทําต่อเนี่ยมันก็หยุด คนเราเนี่ยนะพูดถึงว่าเราทําใจธรรมดาแต่ว่าเราไม่ทิ้งพฤติกรรมในทางกุศลมันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่ระวันแต่ อันของมันมีเพดานสุดยอดโดยไม่ใช่โดยโดยเจตนาของเรานะ 17 มีเหมือนกันเวลาพูดเราเรียนกันบางญาณ 17 ก็อะไรไม่ต้องถามต่อว่าญาณเนี่ยมัน ว่าคนนั้นถ้าทําอยู่เรื่อยๆมีเหตุปัจจัยมันต้องก็จะต้องไป อ่าไม่มีอะไรดีวันนั้นก็ตันอยู่แค่นั้นเวียนกลับไปกลับมาย้อนกลับไปกลับมาเพราะตางมันตันน่ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นโดยธรรมดาทีก้าวเขยิบเขยิบขึ้นไปเนี่ยเรา ว่าเราเจริญอยู่ในอุตตนทําไมถึงไม่พอว่ามีพระองค์หนึ่งทีพูดพูดแล้ว อยู่แต่ในป่าหิมพานต์ถึง 12 ปีเต็มบอกเนี่ยท่านเค้าลบจักรนิพพานกับเก็บเก็บเก็บ อย่างนี้เค้าลบรบๆอ้าวรู้แต่บอกว่ายังหิ้มเป็นกิเลสมันปราดได้ก็โยนทิ้งดีปลัดเก็บก็หาว่าปลัดเก็บผสมปลัดทิ้งก็หานะ นิสศาสนาภุติสิ่งสําคัญตรงนี้ไอ้พฤติกรรมน่ะอันหนึ่งอย่างเช่นคน 8,000 เชือกมัน 8,000 นะก็จัดเวร มีพระบัจเจตขุพุทธเจ้ามาอะไรมาฤาษีชีไพรเนี่ยนะตกช้างก็คุ้นกันมาก็ยิ่งจริงสะดวกท่านก็มีความรู้สึกเคารพเคารพสถานที่ แต่ทุกกรรมอาจจะดูเหมือนเหมือนกันทีนี้เราก็ย้อนกลับมา <c oughs> <c oughs> พอพอแล้วอะไรแล้วเราไม่หยุดนะเราคิดยังไงเราคิดว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันไม่ให้ความๆขึ้นไปแล้วก็ ว่าทํายังไงถึงๆเราก็ไม่หยุดกระทําตามธรรมดีเพราะในนะคิดขึ้นไป คนที่เค้าทํารูปประฌานจนถึงที่ มีโรคมีภัยโรคตระลภัทแล้วก็ภัยตระลภัท พวกคนที่ได้ได้รูปฌานเนี่ยเค้ายังเข้า 1าาาาาา2 3 <c oughs> จะเข้าฌานสูงเค้าก็โดยมากจะเข้าฌานต่ําเนี่ยคือ เป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สุขเวทนาจริงอยู่แม้ว่าในฌานที่ 5 นั้นจะเป็นรูปเวทนาในระดับเดียวธรรมดาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า แล้วสุขเวทนาใดที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งดี ถ้าเป็นเรื่องหยาบๆเลยก็คือสุขเวทนาที่เกิดจากอกุศลไร้แรง เรเรเรากลัวนี่พูดถึงคนไม่ติดบุหรี่นะคนหลอมตัวไปแล้วก็ ไปอุปโภคบริโภคของอย่างนั้นแล้วมันจะได้จริงๆเราก็ไม่เอาเรากลัวกลัวผลกลัวอันตรายของว่าเราไม่ควรจะไปหลงติด และอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นโทษของกามเพราะว่ากามกับฌานเนี่ยรูปกับ โกรธของกามเนี่ยมาต้องเราได้ก็เลยรู้สึกว่าตัวจะต้องทํารูปฌานให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงเพ้อรูปฌานออกด้วยวิธีการที่เราจะได้พิจารณากันต่อไปโดยลําดับ จำมาดูประเภทของอรูปฌาน 4 ซะก่อนนะครับอรูปฌาน 4 มีชื่อเรียกยากและว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและอัปปนาฌานชั้น 1 2 3, แต่อรูปฌานนั้นเรียกชื่อยาวเค้าเรียกตามเอาชื่ออารมณ์ที่อรูปฌานนั้นๆเถิงมาเป็น แต่ฌาน 5 นั้นแผ่ได้เฉพาะอุเบกขาการวางเฉยจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่ไม่ แต่อรูปฌานนั้นมีอารมณ์อย่างเดียวฌาน 1 ก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งฌานแต 1 ถ้าเรียกว่าเป็นชาญก็เลยอย่างนั้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นชาญไปเลยนะครับว่าเป็นฌานก็เรียกอย่างนั้นเราอาจจะเรียกว่า 2 วิญญาณัญจายตนะกุศลจิตหรือวิญญาณัญจายตนะฌานประฌานกุศลจิตอันเพ่งวิญญาณไม่มีที่สุดไอ้คําว่าไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดเนี่ยบางทีเราจะนึกไม่เห็นตรงกับความหมายที่ท่านประสงค์ในทางหลักเรามาศึกษาท่านก็จะได้เข้าใจชัดเจนประการที่ 3 ฌานที่ 3 ชื่อ ที่แปลว่าอรูปฌานกุศลอันเพ่งความไม่มี 4 เนวาสัญญานาสัญญา จำชื่ออรูปฌานทั้ง 4 นี้ได้คล่องปากขึ้นใจ จักเจรลงไปอีกก็คือว่าอรูปฌานที่ 1 ที่มีชื่อว่า แปลว่าไม่มีที่สุดแล้วก็รูปกับก็เปลี่ยนรูปมาเป็นอย่างอายตนะในที่นี้ไม่ได้หมาย อารมณ์ที่ฌานนั้นเข้าไปเพ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยแปลว่าที่ตั้งก็ได้ ที่บางทีเผินๆจะไม่มีประโยชน์เนี่ย แต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายคนชาวบ้านไปเห็นซากศพเข้า โอกาสนิมิติลายก็ดลบลาอ่อนลางหายไปซิก็คิดเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นแม้แต่ความนะนี่เทียบนะแต่ เป็นที่ตั้งของการเพ่งดังที่ได้กล่าวมางั้นอารมณ์นั้นจึงเป็นที่อาศัยในการพัฒนาจิตได้ที่จริงมันทั้งทั้งมันตั้งแล้วบางอารมณ์เราต้องตั้งความคิด แล้วถ้ามนาธิการไม่เป็นบางทิอารมณ์ก็ตั้งถ้ามาดีจะเราพูด ที่ทําให้ฌานนั้นเป็นฌานนั้นๆขึ้นมาได้สําเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายในทางเนื้อหาๆแล้วก็ แล้วอนันตจะก็ไม่มีที่สุดเหมือนกันก็อันนี้กลายเป็นวิญญาณไม่มีที่ เนวะสัญญานอสัญญาตนะเนวะหรือนะเอวะเอวะน่ะแปลว่าเที่ยวน่ะแปลว่าไม่ไม่ไม่ใช่เนวะเอามารวมเป็น แต่อบทปฏิเสธมาใส่ก็แปลว่าไม่มีแล้วนะอีกคำนึงก็แปลว่าไม่ใช่อาสัญญาคือไม่มี ถึงความมีสัญญาละเอียดด้วยอันนี้ผมก็ว่าโดยชื่อก่อนนะครับทีนี้ก็มา เป็นที่เกิดของรูปฌานที่ 1 อ่าเนี่ยรูปฌานที่ 1 คือคนที่เมื่อบุคคลจะมาทําอรูปฌานได้รูปฌานถึงปัญจมฌานแล้วๆเนี่ยนะหรือลมหาย ไม่เป็นที่อุ่นใจไม่เป็นจิตมันพัฒนาอีกไม่ได้ไว้จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ใจเพราะไกลโทษอย่างนั้นอย่างนี้ นี่พอใช้คําว่าเพิกเนี่ยถ้าเราฟังเฉยๆก็อาจจะนึกว่าเพิกหมายออกนะหยิบดวงกสิณออกได้อาการว่าไม่เอาดวงกสิณแปลไกลว่าอ่าป่าวพวกท่าน เพิกไม่ได้แปลว่าหยิบดวงกสิณออกไปทั้งแก่นหรือไม่ใช่ทําให้ดวงกสิณแตกกระจายหายไปในลักษณะเนี่ยมัน แต่หมายถึงไม่ใส่ใจกับศิณนั้น ดวงกสิณแผ่ไปถึงไหนเขาก็ไม่ดูเหมือนพลเอาน้ําใส่แก้ว บริเวณช่องว่างนะก็เราๆอย่างเรานี่ก็พอจะนึกได้หรือ ครั้งที่เราดูบ้านอยู่เนี่ยดูอาการสถานที่แต่เราก็ทําความรู้สึกไปๆอย่างนี้แต่คนที่ทําฌานเนี่ยเค้าไม่ ละสัญญาในกสิณนึกนี่ตอนที่ทําใหม่ๆเนี่ยมันก็ดึงกันไปดึงกันมาถือว่าอันเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็นบริกรรมสมาธิหรือเป็นถ้าเค้าเรียกแต่นิมิตนั้นมันเป็น ให้ดูให้และเมื่อสมาธิดีมากขึ้นสัญญานั้นความว่างมันก็ดึงเนี่ย ข้อพิจารณาก็ออกมาอย่างนี้ครับคือ 1 ถ้าบุคคลนั้นเพ่งพิจารณากสิณแล้วก็กสิณกลับไปกลับมาอย่าง มีบทอธิบายที่ 1 เพราะเราเคยคิดว่าพอคนได้ฌานที่ 1 นิพพานมันก็สงบ 2 ก็ข่มนิพพานพอจะมาทําชั้น 3 ก็มีต้องข่มกันอีกก็ 1 แล้วไม่ คือนิพพานเอ่อท่านโทวิปัสสนาเนี่ยมันก็มีนิพพานหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมของกรมก็ดีพฤติกรรมของผู้ดีได้ฌานเห็น ที่ละเอียดที่ไม่สังเกตไม่รู้หรือแม้จะ มันจะจับ 1 จะจับอยู่ที่ความว่างอย่าง จิตมันนิ่งอยู่กับความว่างนั้นอย่างแน่กล่าวใน 3 ขั้นนิมิต 3 ชั้นทีนี้ปัญหาว่าทําไมจึงเรียก สีก็มีสองก็มี 2 สีหมายถึงไอ้รูปปะปันสันฐานที่เราเห็นเนี่ยนะรูปอารมณ์อ่ะเราเห็นรูปอารมณ์ก็มี ตั้งที่มันเป็นพลาสติกหรืองูพลาสติกนะยังมีของจริงมั้ยของไม่จริงเป็นจริงจั๋งใดก็เช่นเราอาจจะหลับตานึกว่าประตูเพราะ ไอ้คําว่างที่เรานึกอยู่ในใจเนี่ยเป็นแต่สมมุติที่เราเพิกเรานึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ไม่มีอาการ มันพิเศษยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่ากสิณที่เค้าเพ่งเนี่ยรูปาลมที่เค้าเพ่งเนี่ย อากาศนี้เป็นความว่างของสมมุติมันก็กลายเป็นสมมุติที่ยิ่งขึ้นไปอีกจึงไม่ใช่อากาศที่เป็นรูปปรากฏ แล้วทำไมถึงมีผลมีอานุภาพทําเนี่ยจิตเค้าจะต้องเข้ม มันสมบัติอะไรอ่อนมากเนี่ยก็เรียกว่าเค้าฝึกจิตให้เข้าไปปลูกพันกับความว่างอย่างนี้ได้ ที่คําว่าไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยตรงนี้อนันตะเนี่ยเพราะคนที่ อัปปการ 1 นี่นะครับคือมันไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตคือไอ้วงรอบของความว่างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าอกัสสิณนี่ก็ โดยธรรมดาว่าอะไรที่มีความเกิดดับธรรมดาว่าอะไรอย่างเช่นว่ามีความเกิดดับเนี่ยมันต้องมีขอบ อาการเพ่งอรูปฌานเนี่ยก็ไม่ประสงค์จะดูความเกิดดับด้วยไม่ต้องการ มันเป็นแต่มันถึงแม้ว่าตัวเองจะไปนึกว่ามันก็ใช้ไม่ได้ย่ออะไรก็ไม่ใช่ปรมัตถ์ไอ้เกิดดับด้วยตัวเองเนี่ยเรา แต่ตัวจิตมันร้อยไม่เกิดดับไปด้วยๆโดยไม่ต้องคิดแต่จิตเกิด การจะถึงความไม่แตกดับเกิดดับทั้ง 2 ส่วนจึงไม่เอาจิตเข้านิพพานไปด้วยเพราะจิตเกิดดับแต่เอาอะไรเข้าไปผม แล้วมันเป็นสมมุติด้วยอย่างที่ผมว่าไม่มีฟ้าออกด้วยอาการอย่างที่ นี่เป็นชื่อของรูปฌานที่ 1 คือ 4 นี้ 4 อารมณ์ของรูปฌานที่ 1 คือช่องว่างที่ละดวงกสิณ ภาพช่วยนิดจับกสิกสิณลูกาธิมากะเป็นอรูปอรูปฌานที่ 2 จับ ความไม่มีเป็นอารมณ์อรูปฌานที่ 4 จับอรูปฌานที่ 3 เป็นอารมณ์นี่ก็ อรูปฌานที่ 2 จับอรูปฌานที่ 1 เป็นอารมณ์ 4 จับ 3 เป็นอารมณ์ก็ถือว่าจับจิตนั้นจับจิตที่จับอารมณ์ละเอียดเนี่ยย่อมละเอียด ละความใส่ใจในอารมณ์ที่อรูปฌานๆซ้ําๆ ต่อเวลาที่เรานึกถึงกิริยาจิตหนึ่งซ้ําๆบ่อยๆนี้เรามาเทียบกับจิตธรรมดาอย่างของนะเราๆนะถ้าเรานึกถึงอกุศลจิตนั้นด้วยจิตที่เป็นงาม เป็นวิธีการละอกุศลจิตนั้นคือถ้าเราเรื่อยๆด้วยจิตที่เป็นอกุศลจิตจิต ดังนั้นนะเป็นพยาบาทเป็นความโลภก็เป็นไอ้ และนั้นเราถึงต้องจับหลักอย่างนี้ว่าเวลาที่เราเกิดอกุศลจิตถ้าจะละจะ ถ้าเรานึกด้วยกุศลจิตแล้วก็เป็นการลดบาปในทางเราเรานึกถึงกุศลจิตเก่าของ ในกระบวนการของการพิจารณาเจริญปัฏนาจิตเนี่ยก็คือ ญาณมันก็เป็นนามเป็นรูปใช่ไม่ใช่เลยขึ้นก็ยิ่งญาณสูงขึ้นไปก็ยิ่งรู้ตรบ อันนี้คล้ายกันอย่างนี้เพียงแต่ว่ารูปประฌานเนี่ยอรูปว่าวิปัสสนานั้นไม่ปฏิเสธวิปัสสนาญาณ ด้วยเหตุนั้นเมื่อบุคคลนั้นทําอรูปฌานที่ 1 เป็นอารมณ์จึงเป็น วิปัสสนาญาณที่มีวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ไม่แปลกนะแต่วิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่จะเอา ได้อย่างเดียวคือฌานจับฌานก็เป็นนั่นว่าฌานนั้นต้องประณีตขึ้นอย่างเห็นๆเพราะ 2 ต่อไปเข้าไปได้ฌานที่ อากิญญาณายตนะชาญนั้นมีอะไรเป็นอายตนะมีนัตถีภาวะความจริงคําภาวะอันเดิมแปลว่าความมีคําศัพท์นะ นี่ความไม่มีเนี่ยที่เราพูดพูดกันเนี่ยมัน เป็นอากาศอากาศเป็นอากาศในถอนอรูปฌานที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นความมี เอาไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใส่ใจตัว เราเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเวลานี้ความโกรธหายไปแล้วพอคุณเห็นความไม่มี จับไม่ได้กําหนดไม่ได้อย่างเราเนี่ยอย่าพูดเลยว่าเราจะเพ่งความไม่มีถ้าหากว่า นั้นคนจะเพ่งความไม่มีตัวนี้ได้ต้องได้อรูปฌานที่ 2 ก่อนแล้วจึงดูความไม่มีที่อรูปฌานที่ 2 นั้นปรากฏก็คือไม่ดูความรู้สึกดูแต่ความไม่มีไม่มีอะไรไอ้นี่ไม่ใช่อากาศด้วย ไม่มีไม่ใช่นึกเอาลอยๆพูดอะไรจะต้องกําหนดจิตลงไปที่การถอนความรู้สึกนั้นไปแล้ว ก็แปลว่ามโนภาพนั้นมีหลายชั้นประณีตละเอียดต่างกันเดี๋ยวอย่านึกว่ามโนภาพนี้ต้องหาสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ ใช้มโนภาพมาเป็นปัจจัยให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับสมาธิของเราได้ความจริงไอ้เรื่องมโนภาพสร้างมโนภาพเป็นเนี่ยทั้ง วิตกสันฐานสูตรเป็นต้นที่เคยแจกให้ฟังไปนั่นคือการสร้างมโนภาพถ้า เสียหายเป็นอกุศลจิตไปติว่าทําให้เกิดวิบากเพราะความบ้าหรือไม่บ้ามันอยู่ที่จิตใช่นะมันก็ไม่ได้บ้ามัน เป็นมโนภาพที่เป็นโมกข์ต่อไปครับ 4 อากิญจัญญายตนะฐานเป็น 4 อากิญญัญญายตนะฐานน่ะตัวมันเองเป็นอรูปฌาน 4 ก็ถึงจุดตันน่ะคนที่ 3 เอามาเป็น ตัวอรูปฌานที่ 3 นั้นประณีตอรูปฌานที่ 4 นั้นยิ่งประณีตหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสภาวะของอรูปฌานที่ 4 เนี่ยท่านจึงเรียกว่าเนวะสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญา อันเรียกหลายคําก็เอาสัญญาเป็นปฏานก็เลยว่าเนวะสัญญาอนาสัญญาตนะเอาเวทนาเป็นคือมีมากมีสัญญา และจึงไม่รับสภาวะของจิตไม่รับสภาวะของจิตเนี่ยท่านจึงหนึ่งท่านเรียกว่าสังขารราวะเสสัสังขาราวะเสสัแปลว่าเศษของสังขารธรรมเศษ ที่เลขอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่มีสังขารธรรมใดเลยที่จะมีสภาวะครึ่งๆกลางๆเหมือนเป็นเหลือเศษเพราะ จึงเรียกฌานนี้ว่าสังขาราวะเสสังขานเพราะมันเป็น 9 ฌานเป็น 9 หรือไม่สําหรับ วิปัสสนาญาณิกะปุพพวิปัสสนาอันเรียกวิปัสสนาอาทิกัมมิกาผู้เริ่มทำๆสำหรับผู้ที่สติเว้นอรูปฌานที่ ก็อะไรเพราะสังขารนี่ละเอียดมากดูแล้วไม่เห็นกําหนดไม่เห็น 4 นั้นมาเพ่งเป็นที่ 4 เองออก 4 แล้วกลับไป แล้วตามมาแล้วเวลาเค้าเข้ารูปฌานที่ 4 แล้วเค้าออกมาปัจจเวกถึงอรูปฌานที่ 4 นี้เค้าได้ เพราะว่าร่างกายหลายอย่างแต่ว่าถ้าจะไปดูเทวดาเห็นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยากเทวดาดูเทวดาเห็นเกิดแก่เจ็บตายก็ยากคน คนที่เค้าเข้ารูปฌานที่แล <ๆ. S 1> คน 4 แล้วก็ถอยออกมาปฏิเวธเค้ามันก็เห็นก็รู้ไอ้แล้วตัด จะมองข้างบนมาเอาแตงโมมาเรียงซี่ก็ 4 มี ละเอียดอ่อนมีเหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มีท่านจึงก็ดียกด้วยอย่างไว้ในวิสุทธิมรรคเปรียบ กลับคําพูดเออปรากก็ดุแน่นะว่าเดี๋ยวว่ามีเดี๋ยวว่าไม่มีเลยต้องมาน้ําน้ําปนบอก เราก็ไปดูไม่มีสิมีนะมีก้นได้ตักมาก็คุ้งทันมีเด็กไม่ได้โกนะเลสฮัมโมราหรือถ้าเป็นน้ํามันติดก้นขวดเราก็จะว่ามีหรือไม่มีถ้า แต่มันไม่มีถึงขนาดนั้นมาตัดไขดอดไม่ได้มันไม่มีเนี่ยมันละเอียดสัญญาเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงพวก ตัดขาดทั้งโดยอารมณ์ที่เป็นรูปตัดขาดพอเนี่ยแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นตัว อีก 3 หน้าหลังก็อีกสักพักเราอาจจะพูดกันไปได้อีกสัก 1 ใน 18 ใน 2 แปลว่าอธิบายเรื่อง และท่านก็ตั้งเป็นมาติกามาติกานั้นแปลว่าประเด็นหลักตั้งประเด็นเอาประเด็นหลักมาตั้งก็ อธิบายก็เยอะหน่อยแล้วมาดูมาติกาที่บอกว่าเพราะก้าวอากาศไม่มีที่ติน <c oughs> ในที่นี้ผมก็ไม่สามารถจะคัดในทุกๆอย่างที่ต่างกันบ้างเหมือนกันเนี่ยแปลว่าก้าวไม่พ้นใช่มั้ยครับหรือพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นแล้วทําไมเขาเอาพ้น ก้าวพ้นก้าวล่วงเลยไม่ใช่ล่วงหล่นรูปสัญญาคืออะไรเนี่ยครับเป็นชื่อของรูปฌานคือสัญญาที่เพ่งรูปต่าง คือพ้นเยื่อใหญ่ไม่มีเยื่อใหญ่ที่ติดอย่างที่ตัวเองเคยติดแล้วก็พ้นจาก กล่าวเลยมาสู่รูปฌานที่ 1 แล้วฉันจึงกล่าวว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญา หมายถึงรูปกระทบตาเสียงกระทบหูเป็นต้นจนสัญญาอันนี้เรียกว่าปฏิกาทีเถอะถ้าใช้คําว่า สัญญาที่เกิดขึ้นจากการกระทบเอาความว่างั้นกันแล้วกันท่านเรียกเจตเรื่องอํานาจ ดับจริงๆความจริงตรงนี้ก็เกิดจะปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายหมดจริงหรือไม่ๆใช่มั้ยขนาดเข้าฌานๆใครไปปลุกด้วยกายะปฏิฆาสัญญาก็ ต่อไปเพราะไม่มนสิกาณซึ่งนานัตตสัญญาคำว่านานัตตะนั้นๆสัญญาเช่นกุศลจิตก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็น ดับหมดหมดนี่เป็นการปฏิเสธว่าไม่มีกามจิตอื่นๆที่นอกเหนือไปจาก แล้วก็ปฏิฆาสัญญากับนานาสัญญานะปฏิเสธจิตที่เป็นกามจิตด้วยกันนะเองแต่ว่า นิพพานเนี่ยเป็นนามนัตตสัญญานิพพาน 5 นะเป็นเครื่องรบกวนสมาธิเสียงแม้จะไม่ยินดี ฌานต้นก็แสล้งสมาธิแสล้งฌานสูงต้องละให้หมดเลยให้หมดล่วงให้เนี่ยจึงเป็นภาวะของการบรรลุ โดยประการทั้งปวงนี่ก็คือก้าล่วงพระอาจารย์ที่ 1 ด้วยความรู้สึกตั้งข้อลังเกียดด้วยความรู้โดยประกามว่าวิญญาณไม่มีที่ตินสุดวิญญาณตัวนี้ก็คือเป็น มันมี 2 อย่างจิตที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะคือ 1 จิต 2 จิตนั้นเป็นอารมณ์ของใจเราบางครั้งเนี่ยใจ อ่าบางครั้งก็อาจจะได้โดยความเป็นอารมณ์แต่ไม่ ปัจจัยความเกิดจึงบรรลุอากิญญายตนะฉานโดยบริการ แต่ไม่ปฏิเสธอารมณ์คือเอารูปฌานที่ 1 เป็นอารมณ์แต่ว่าไม่ได้เข้ารูปฌานที่ 1 อยู่แต่รูปฌานที่ 3 ปฏิเสธอรูปฌานที่ 2 ทั้ง 2 ส่วน 4 เพราะกล้าล่วงอากิญญายตนะโดยประการทั้ง ตามไม่วิเศษอารมณ์คือพิจารณาเอาอรูปฌานที่ 3 มาเป็นอารมณ์นั่นเองนี่เป็นบทมาติกะ สมาบัติฌานเนี่ยเป็นชื่อที่แทนกันได้ครับสมาบัติแปล โดยหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดกับโดยอารมณ์ 2 อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เฉพาะอย่างโดยโดยอารมณ์บางพวกก็ พลไปปีนัดไปไม่เกิดเลยดับสนิทเลยปิตตวารทั้ง 5 หมดที่เป็นกามาวจรที่ต้องต้องที่เป็นกามาวจรเพราะว่าอรูปฌานอรูปฌานเนี่ยเป็นมโนตวารเหมือนกัน แล้วก็มาอธิบายถึงคําว่าอากาศอันนี้ผมก็ 2 อย่างอย่างหนึ่งคืออย่างหนึ่งคือภูมิ 2 ของพระอริหันต์ภูมิอยู่ในๆก็รู้สึกว่าอื่น บรรลุเนี่ยได้แก่การได้การกลับได้อีกสองคํานี้กลับได้อีกคือเพราะว่าฌานนั้น ให้เห็นไว้ในที่นี้ก็เสียดายว่าเราซึ่งอากาสานัญจายตนะฌานเป็นต้นจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและคําว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ประพฤติเป็นไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยว ได้ความหมายทั้งนั้นคือเกิดฌานนั้นอยู่นะตัวเองจะนั่งอยู่นอนอยู่ก็ดียืนอยู่คือเกิดฌานนั้นอยู่ ก็